ทรงประชุมสงบนเด็ดสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคารับสั่งให้ประชุมสงเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีทุลันนาาบวชให้สตรีผู้เป็นโจรจริงหรือพวกภิกษุทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉะนั้นภิกษุณีทุลันนาาจึงบวชให้สตรีผู้เป็นโจรเล่าภิกษุทั้งหลาย